ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัยยะแห่งอริยสัจ ส, สีทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตชื่อว่าโสดาบันญาณวัตถุ44่ิี่พิทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งญาณวัตถุ44อย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงกระทาในใจให้สำเร็จประโยชน์ เราจะกล่าวบัรนี้พิกขุทั้งหลายก็ยา น, นวัตถุ4ี่บสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่ายา น, นวัตถุ44อย่างคือยานคือความรู้ในชรามรณะยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะยานคือความรู้ในชาติยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชาติยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติญาณคือความรู้ในภพญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งภพญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งภพญาณคือความรู้ในอุปาทาน ญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานญาณคือความรู้ในตัณหาญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา ญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งตันหาญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาญาณคือความรู้ในเวทนาญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาญาณคือความรู้ในผัสสะญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะญาณคือความรู้ในสลายตนะญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ ญาณคือความรู้ในนามร er. ูปญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปญาณคือความรู้ในความดับไมเหลือแห่งนามรูปญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุกถึงความดับไมเหลือแห่งนามรูปญาณคือความรู้ในวิญญาณ ญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณญาณคือความรู้ในสังขารทั้งหลายญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร ญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งสังขารญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารพิขุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุ44ี่สิบสี่อย่างพิคุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุด ความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชราการจุดติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวัยชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลาย การทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชารานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ที่ขู่ทั้งหลายนี้เรียกว่าชารามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชารามรณะย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบที่ขูทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จํากัดการอริยสาวกนั้นย่อมนาความรู้นั้นไปสู่ในยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่านึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามระได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามระได้รู้อย่างยิ Glory> ่งแล้วซ <an ึ <t <t ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามระสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ ถึงแม้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งชรามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแห่งชร า, ามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทํามสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชร า, ามรณะก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จะรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในการรู้ตามอณวั ย, ยานพิขุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอณวั ย, ยาณเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์ผ่องใสในการใดพิขุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธธรรมนี้ดังนี้บ้าง ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเศขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเศขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล ที่ขู่ทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้อายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งพบมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรม อันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชาติได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะรู้อย่างยิ่งซึ่งชาติจะรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ จักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติก็ตามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในการรู้ตาม อณนนะวิญยญาณพิขุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอณนนะวิญ ย, ยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดพิขุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ ด, ดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะ ดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัตยธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตยธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเศคะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเศคะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้าง ผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แลภิขุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าพิคุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามาพรูปประพบอรูปประพบพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าพบ ความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานมักอันประกอบด้วยองแบบอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกุทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งพบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งพบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้ว บรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพรา์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งพบได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งพบสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะรู้อย่างยิ่งซึ่งพบ จักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งพบก็ตามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในการรู้ตามอณวิยญยาณพิขุทั้งหลายญาณทั้งสองคือธรรมญาณและอณวิยญาณเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดพิคุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ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 ความยึดมั่นในกามกามุปาทานความยึดมั่นในความเห็นทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจาศีลพัตุปาทานความยึดมั่นในความเป็นตัวตนอัตตวาทุปาทานภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปาทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานย่อมมี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 ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะรู้อย่างยิ่งซึ่งอุปาทานจากรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานจกรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานจกรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานก็ตาม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 พิขุทั้งหลายก็ตันหาเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายหมู่แห่งตันหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นความอยากในรสความอยากในสัมผัสทางกายความอยากในธรรมารมพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่าตันหา ความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดาริชอบ การพูดจากชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิขุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งตัณหาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึง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 ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่งซึ่งตันหาจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเอง ได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในการรู้ตามอณวิ ย, ยานภิขุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอณวิ ย, ยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิขุทั้งหลาย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 ที่ขูทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย6กหมู่เหล่านี้คือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ ภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนา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 มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาว่าเป็นอย่างนี้อย่าง pues นี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น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 ได้รู้อย่างย you know ิ่งแล้วซึ่งเวทนาได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะรู้อย่างยิ่งซึ่งเวทนาจกรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาจกรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาจกรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทํามสัตว์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 ดังนี้แลพิขุทั้งหลายก็ผัสสะเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัทสผทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจพิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะ ความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตระนความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตระหนัะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบ ความดั่ริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกขุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพัสสะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพัสสะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้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 ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสษะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสษะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสษะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะรู้อย่างยิ่งซึ่งผัสสะจกรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะจกรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะจกรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จะรู้อย่างยิ่ง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 จัคขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมณายตนะภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตนะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมมี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 ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสลายตระนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตระนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตระนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึง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 จักรู้อย่างยิ่งซึ่งสลายยตนะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายยตนะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะก็ตามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเอง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 สัญญาเจตนาผัสสะมณสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่อย่างนี้พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมี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 การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความปรรลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึง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 ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซ uh okay. ึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งนามรูปจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่ง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 ก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขคุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณทิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมี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 ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทรรมสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอาริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่ในยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณ ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ <ensional> ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ ถึงแม้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งวิญญาณจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณก็ตาม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 ภิขุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิ Base กขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายะสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารภิกขุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา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 ความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิขุทั้งหลายอริยะสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลาย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 ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งสังขารทั้งหลายจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่าน